อาสาทิฐินิเทศแสดงอาส า, าทิฐิอาส า, าทิฐิมีความเห็นผิดด้วยอาการสาสิห้าอย่างเป็นอย่างไรคือทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าสุขโสมนัสที่อาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นอาสาทะคุณแห่งรูปทิฐิไม่ใช่อาสาทอาสาทะก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งอาสาทะก็เป็นอย่างหนึ่ง ทิฏฐิและอสาทะนี้ท่านกล่าวว่าอสาทะทิฏฐิอสาทะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติบุคคลผู้ประกอบด้วยทิฏฐิวิบัตินั้นเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรนั่งใกล้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่วทิฏฐิใดราคะใดราคานั้นไม่ใช่ทิฏฐิ ทิฏฐินั้นก็ไม่ใช่ราคาทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งราคาก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและราคานี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิราคะบุคคลผู้ประกอบด้วยทิฏฐินั้นและราคานั้นเป็นผู้ยินดีในทิฏฐิราคะทานที่ให้แก่บุคคลผู้ยินดีทิฏฐิราคะเป็นทานมีผลไม่มากมีอนิสง์ไม่มากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว อาสาทะทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิมีคติเป็นสองคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันหนึ่งกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฐิวจีกรรมและมโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิ ทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกลื้อกูลเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่วเปรียบเหมือนเมล็ดเสตดาเมล็ดบวบขมหรือเมล็ดน้ำเต้าขมที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้นรถดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขม เผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสะดาวเป็นต้นนั้นมีเมล็ดเลวชั้นใดกายกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิวจีกรรมและมโนกรรมที่เธอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกร่ไม่น่าพอใจไม่เรื้อคูนเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่วฉันนั้นอสาต tha ทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิการตกอยู่ในทิฏฐิความรกชัดคือทิฏฐิความถือมั่นคือทิฏฐิความเกี่ยวข้องแห่งจิตที่ทิฏฐิลุ่มลุ่มเป็นมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งจัดเป็นอสาสาทิฐิด้วยอาการสิบปประการนี้สังโยชน์และทิฐิมีอยู่สังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิก็มีอยู่สังโยชน์และทิฐิอะไรบ้างคือหนึ่งสักรายานทิฐิ 2. สองศีลปตะป ร, ะรามาศเหล่านี้เป็นสังโยชน์และทิฐิสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิอะไรบ้างคือหนึ่งการมราคะสังโยชน์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 หกอีสาสังโยช์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออิสาเจ็ดมัชชริยะสังโยน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือมัชริยะแปดอนุัสสังโยช์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออนุสัก 9. าอวิชชาสังโยน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออวิชชาเหล่านี้เป็นสังโยน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิทิฏฐ คือความยึดมั่นถือมั่นว่าสุขโสมนัสที่อาศัยเวทนาเกิดข <automat ism, S 2> ึ้นนี้เป็นอาสาถะแห่งเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าสุขโสมนัสที่อาศัยจักขุอาศัยโสตตอาศัยคานะอาศัยชีวหาอาศัยกายอาศัยมโนทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่า สุคโสมนัสที่อาศัยรูปอาศัยสัทธะอาศัยคันทะอาศัยรสะอาศัยผลทพะอาศัยธรรมารมณ์ทิฏฐิคือความชิดมั่นถือมั่นว่าสุคโสมนัสที่อาศัยจักุวิญญาณอาศัยโสตะวิญญาณอาศัยคานะวิญญาณอาศัยชิวหาวิญญาณอาศัยกายยะวิญญาณอาศัยมโนวิญญาณ ทิฏฐิคือความคิดมั่นถือมั่นว่าสุโสมนัตที่อาศัยจากขุสัมผัสอาศัยโสตสัมผัสอาศัยคานะสัมผัสอาศัยชิวหาสัมผัสอาศัยกายะสัมผัสอาศัยมโนสัมผัสอาศัยจากขุสัมผัสชาเวทนาอาศัยโสตสัมผัสสชาเวทนาอาศัยคานะสัมผัสสชาเวทนาอาศัยชิวหาสัมผัสสชาเวทนา อาศัยกายสัมผัสชาเวทนาทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าสุขสมณัสที่อาศัยมโนสัมผัสชาเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นอส า, าธะแห่งมโนสัมผัสชาเวทนาทิฏฐิไม่ใช่อส า, าธะอส า, าธะก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งอส า, าธะก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและอสาทะนี้ท่านกล่าวว่าอส า, า, าทะทิฏฐิ อาธาทิฐิเป็นมิฉาทิฐิเป็นทิฐิวิบัติบุคคลผู้ประกอบด้วยทิฐิวิบัตินั้นเป็นผู้มีทิฐิวิบัติบุคคลผู้มีทิฐิวิบัติไม่ควรเสฟไม่ควรคบไม่ควรนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นมีทิฐิชั่วทิทิใดราคะใดราคะนั้นไม่ใช่ทิฐิทิฐินั้นก็ไม่ใช่ราคะทิฐิเป็นอย่างหนึ่ง ราคก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิและราคะนี้เรียกว่าทิฐิราคะบุคคลผู้ประกอบด้วยทิฐินั้นและราคะนั้นเป็นผู้ยินดีในทิฐิราคะทานที่ให้แก่บุคคลผู้ยินดีทิฏฐิราคะเป็นทานมีผลไม่มากมีอนิสงไม่มากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นมีทิฐิชั่วอาจสาททิฐิเป็นไม่ชฉาทิฐิ บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิมีคติเป็นสองคือนรกหรือกำเนิดสัตยระชนันอันหนึ่งกายกรรมที่เธอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฐิวจีกรรมและมนโนกรรมที่เธอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนา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 เพราะสะดาวเป็นต้นนั้นมีเมล็ดเลวฉันใดกายกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิวจีกรรมและมโนกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจ ไม่เกลือกูลนเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่วฉันนั้นอาจาทาทิฏฐิเป็นมิฉาทิฏฐิการตกอยู่ในทิฏฐิความรกชัดเพอทิฏฐิความถือมั่นเพอทิฏฐิความเกี่ยวข้องแห่งจิตที่ทิฏฐิกรุ้มรุ่งเป็นมิฉาทิฏฐิซึ่งจัดเป็นอาสาธทิฏฐิด้วยอาการสิบปประการนี้สังโยชน์และทิฏฐิมีอยู่ สังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิก็มีอยู่สังโยชน์และทิฏฐิอะไรบ้างคือ 1. นสักกายทิฏฐิ 2. อสีระปตะปรามาตเหล่านี้เป็นสังโยชน์และทิฏฐิสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิอะไรบ้างคือ 1. นึ่งกามราคสังโยชน์ 2. ปฏิฆะสังโยชน์สมานะสังโยชน์สีุ่จิกิชฌาสังโยชน์ 5. ภวราคะสังโยชน์ หอิสาสังโยชน์เจมัชยริยสังโยชน์ 8. อนุสัยสังโยชน์เ้าอวิชชาสังโยชน์เหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิอาสาทะทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสาสิบห้าอย่างนี้อาสาทะทิฏฐินิเทศที่หนึ่งจบสองอัตานุทิฏฐินิเทศแสดงอัตานุทิฏฐ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 คือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นปัทวีคสินโดยความเป็นอัตตาคือพิจารณาเห็นปัทวีคสินและอัตตาไม่เป็นสองว่าปัทวีคสินอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดปัทวีคสินก็อันนั้นเมื่อประทีปน้ํามันกําลังลุกโผล่อยู่บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่าเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้น แสงสว่างอันใดเปเลวไฟข้ออันนั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นปัทวีคสินโดยความเป็นอัตตาเธอพิจารณาเห็นปัทวีคสินและอัตตาไม่เป็นสองว่าปัทวีคสินอันใดเราก็ อ, อันนั้นเราอันใดปัทวีคสินก็ อ, อันนั้นทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิ ทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฏฐิมีรูปเป็นวัตถุเป็นอาการที่หนึ่งอัตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติบุคคลผู้ประกอบด้วยอัตานุทิฏฐิย่อมมีคติเป็นสองเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นอาโปกสินเตโชกสิน วายโกรสินนีลักษิณปีตกสิ น, น, ลส น, สนโลหิตกสินพิจารณาเห็นโอทากระสินโดยความเป็นอัตตาเคอพิจารณาเห็นโอทากระสินและอัตตาไม่เป็นสองว่าโอทากระสินอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดโอทากระสินก็อันนั้นเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโผล่อยู่บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่า เปลวไฟอันใดแสงสว่างข้ออันนั้นแสงสว่างอันใดเปลวไฟข้ออันนั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นโอทาตะกสินและอัตตาไม่เป็นสองทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตตนุทิฐิมีรูปเป็นวัตถุ เป็นอาการที่หนึ่งอัตตานุทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเป็นทิฐิวิบัติเหล่านี้เป็นจังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิปุตุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอย่างนี้ปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตามีรูปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา เขมีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีรูปเพราะรูปนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตามีรูปต้นไม้มีเงาบุรุษพึงพูดถึงต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ต้นไม้นี้เงาต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ต้นไม้นี้มีเงาเพราะเงานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นต้นไม้มีเงาฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีรูปเพราะรูปนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตามีรูปทิจิคือความยึดมั่นถือมั่นทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิ ทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฏฐิมีรูปเป็นวัตถุเป็นอาการที่สองอัตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติเหล่านี้เป็นสังโยชแต่ไม่เป็นทิฏฐิปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีรูปอย่างนี้ปุถุชนพิจารณาเห็นรูปในอัตตาเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณด้วยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราก็ในอัตตานี้มีรูปเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นรูปในอัตตาดอกไม้มีกลิ่นหอมบุรุษพึงพูดถึงดอกไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ดอกไม้นี้กลิ่นหอมดอกไม้เป็นอย่างหนึ่ง กลิ่นหอมก็เป็นอย่างหนึ่งแต่กลิ่นหอมนี้มีอยู่ในดอกไม้นี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นกลิ่นหอมในดอกไม้นั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราก็ในอัตตานี้มีรูปเช่นนี้ชื่อว่า พิจารณาเห็นรูปในอัตตาทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐินี้เป็นอัตตานุทิฏฐิมีรูปเป็นวัตถุเป็นอาการที่สามอัตตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิปุถุชนพิจารณาเห็นรูปในอัตตาอย่างนี้ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาในรูปเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีอยู่ในรูปนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตาในรูปแก้วมณีที่ใส่ไว้ในขวดบุรุษพึงพูดถึงแก้วมณีนั้นอย่างนี้ว่านี้แก้วมณีนี้ขด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 ปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตาในรูปอย่างนี้ปุทุชนพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นจากปุสัมพัสชาเวทนาโสตะสัมพัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมพัสชาเวทนากายสัมพัสชาเวทนา พิจารณาเห็นมโนสัมภัสชาเวทนาโดยความเป็นอัตตาเพื่อพิจารณาเห็นมโนสัมภัสชาเวทนาและอัตตาไม่เป็นสองว่ามโนสัมภัสชาเวทนาอันใดเราก็าอันนั้นเราอันใดมโนสัมภัสชาเวทนาก็าอันนั้นเมื่อประทีปน้ำมันกาลังลุกโผร่อยู่บุคคลพิจารณาเห็นปเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่าปเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้น แสงสว่างอันใดเปลวไฟก็อันนั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นมโนสัมผัสชาวเวทนาโดยความเป็นอัตตาคือพิจารณาเห็นมโนสัมผัสชาวเวทนาและอัตตาไม่เป็นสองว่ามโนสัมผัสชาวเวทนาอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดมโนสัมผัสชาวเวทนาก็อันนั้นทิชิคือความยึดมั่นถือมั่น ทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฐิมีเวทนาเป็นวัตถุเป็นอาการที่หนึ่งอัตานุทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเป็นพิธิวิบัติเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิปุตุชนพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาอย่างนี้ ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีเวทนาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีเวทนาเพราะเวทนานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตามีเวทนาต้นไม้มีเงา บุคคลเพียงพูดถึงต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ต้นไม้นี้เงาต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ต้นไม้นี้มีเงาเพราะเงานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นต้นไม้มีเงาฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า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 เป็นทิฏฐิวิบัติเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิปุทุชนพิจารณาเห็นอัตตามีเวทนาอย่างนี้ปุตุชนพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเห็นรูป้วยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราก็ในอัตตานี้มีเวทนานี้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 สังขารวิญญาณพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราก็ในอัตตานี้มีเวทนานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาทิฏฐิคือความยึดมั่นเถอมั่นทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐินี้เป็นอัตตานุทิฏฐิมีเวทนาเป็นวัตถุเป็นอาการที่สาม อัตานุทิฏฐิเป็นไม่ช้าทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิปุตุชนพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาอย่างนี้ปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเรา แต่ว่าอัตตาของเรานี้มีอยู่ในเวทนานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาชื่อว่าพิจารณาเห็นแก้วมณีในขว่ชันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเห็นรูปด้วยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีอยู่ในเวทนานี้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 ปุตตุชนพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาอย่างนี้ปุตุชนพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาเป็นอย่างไรผือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นจากุสัมผัสชาสัญญาโสตะสัมผัสชาสัญญาคานะสัมผัสชาสัญญาชิวหาสัมผัสชาสัญญากายสัมผัสชาสัญญาพิจารณาเห็นมนสัมผัสชาสัญญาโดยความเป็นอัตตา คือพิจารณาเห็นมนุสัมผัสชาสัญญาและอัตตาไม่เป็นสองว่ามนโน ส, สัมผัสชาสัญญาอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดมนโนุสัมผัสชาสัญญาก็อันนั้นเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโผล่อยู่บุคคลเห็นเปลวฟไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่าเปลวฟไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้นแสงสว่างอันใดเปลวไฟก็อันนั้นฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นมโนสัมผัสชาสัญญาโดยความเป็นอัตตาเพื่อพิจารณาเห็นมโนสัมผัสชาสัญญาและอัตตาไม่เป็นสองว่ามโนสัมผัสชาสัญญาอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดมโนสัมผัสชาสัญญาข็อันนั้นทิฏฐิคือความคิดมั่นถือมั่นทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิ ทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฏฐิมีสัญญาเป็นวัตถุเป็นอาการที่หนึ่งอัตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิปุตุชนพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาอย่างนี้ปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตามีสัญญาเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสังขารวิญญาณรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีสัญญาพระสัญญานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตามีสัญญาต้นไม้มีเงาบุรุษพึงพูดถึงต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ต้นไม้นี้เงา ต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ต้นไม้นี้มีเงาเพราะเงานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นต้นไม้มีเงาฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นสังขารวิญญาณรูปพิจารณาเห็นเวทนาด้วยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีสัญญาเพราะสัญญานี้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 ก็ในอัตานี้มีสัญญานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาทิฐิคือความยึดมั่นเถอมั่นทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่ง si ทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฐิมีสัญญาเป็นวัตถุเป็นอาการที่สามอัตานุทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเรานี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิ ปุตุชนพ <advantages? S 1> ิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาอย่างนี้ปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาเป็นอย่างไรเพื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสังขารวิญญาณรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีอยู่ในสัญญานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญา แก้วมณีที่ใส่ไว้ในโขดบุคคลเพึงพูดถึงแก้วมณีนั้นอย่างนี้ว่านี้แก้วมณีนี้โขวดแก้วมณีเป็นอย่างหนึ่งขวดก็เป็นอย่างหนึ่งแต่แก้วมณีนี้มีอยู่ในโขวดนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นแก้วมณีในโขวดฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นสังขารวิญญาณรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา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 เหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาอย่างนี้ปุตุชนพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นจักกุสัมผัสชาเจตนาโสตสัมผัสชาเจตนาขานสัมผัสชาเจตนาชิวหาสัมผัสชาเจตนากายสัมผัสชาเจตนา พิจารณาเห็นมโนุสัมผัสชาเจตนาโดยความเป็นอัตตาเพื่อพิจารณาเห็นมโนสัมผัสชาเจตนาและอัตตาไม่เป็นสองว่ามโนุสัมผัสชาเจตนาอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดมโนสัมผัสชาเจตนาก็อันนั้นเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพรงอยู่บุคคลพิจารณาเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่าเปลวไฟอันใดแสงสว่างข้ออันนั้น แสงสว่างอันใดเปลวไฟข้ออันนั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นมนุสัมผัสชาเจตนาโดยความเป็นอัตตาคือพิจารณาเห็นมนุสัมผัสชาเจตนาและอัตตาไม่เป็นสองว่ามโนุสัมผัสชาเจตนาอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดมโนุสัมผัสชาเจตนาก็อันนั้นทิฏฐิคือความยิดมั่นถือมั่นทิฏฐิไม่ใช่วัตถุ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 คือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีสังขารพระสังขารเหล่านี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตามีสังขารต้นไม้มีเงาบุรุษพึงพูดถึงต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ต้นไม้นี้เงา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 ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอตานุทิฏฐิมีสังขารเป็นวัตถุเป็นอาการที่สองอตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิปุถุชนพิจารณาเห็นอตามีสังขารอย่างนี้ ปุตตุชนพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราก็ในอัตตานี้มีสังขารเหล่านี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาดอกไม้มีกลิ่นหอมบุรุษพึงพูดถึงดอกไม้นั้นอย่างนี้ว่า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 ปุตตชนพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีอยู่ในสังขาร น, นี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารแก้วมณีที่ใส่ไว้ในโคดบุรุษพึงพูดถึงแก้วมณีนั้นอย่างนี้ว่า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 ปุถุชนพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นจักรวิญญาณโสตวิญญาณภาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณพิจารณาเห็นมโนวิญญาณโดยความเป็นอัตตาคือพิจารณาเห็นมโนวิญญาณและอัตตาไม่เป็นสองว่ามโนวิญญาณอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดมโนวิญญาณก็อันนั้น เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโคลงอยู่บุคคลพิจารณาเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่าเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้นแสงสว่างอันใดเปลวไฟก็อันนั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นมโนวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเพอพิจารณาเห็นมโนวิญญาณและอัตตาไม่เป็นสองว่ามโนวิญญาณอันใดเราก็อันนั้น เราอันใดมโนวิญญาณก็อันนั้นทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิหรือวัตถุนี้เป็นอตานุทิฐิมีวิญญาณเป็นวัตถุเป็นอาการที่หน er ึ่งอตานุทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิปุถุชนพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอตตาอย่างนี้ ปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราแต่ว่าอัตตาของเรานี้มีวิญญาณเพราะวิญญาณนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณต้นไม้มีเงาบุรุษพึงพูดถึงต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่า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 ปุตุชนพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นอัตตาก็มีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราก็ในอัตตานี้มีวิญญาณเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาดอกไม้มีกลิ่นหอมบุรุษพึงพูดถึงดอกไม้นั้นว่านี้ดอกไม้นี้กลิ่นหอม ดอกไม้เป็นอย่างหนึ่งกลิ่นหอมก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่ากลิ่นหอมนี้มีอยู่ในดอกไม้นี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นกลิ่นหอมในดอกไม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารด้วความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเราก็ในอัตตานี้มีวิญญาณนี้ ชื่อว่าพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฐิมีวิญญาณเป็นวัตถุเป็นอาการที่สามอัตานุทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฐิปุตุชนพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาอย่างนี้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 นี้แก้วมณีนี้ขวดแก้วมณีเป็นอย่างหนึ่งขวดก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าแก้วมณีนี้มีอยู่ในในขวดนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นแก้วมณีในขวดชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารตัวความเป็นอัตตาเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นอัตตาของเรา แต่ว่าอัตตาของเรานี้มีอยู่ในวิญญาณนี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตตานุทิฏฐิมีวิญญาณเป็นวัตถุเป็นอาการที่สี่อัตตานนทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสัโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิ ปุทุชนพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณอย่างนี้อัตตานุทิธิมีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้อัตตานุทิธินิเทศที่สองจบ 3. ม, มิชาทิธินิเทศ แสดงมิชาทิฐิมิชาทิฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบอย่างเป็นอย่างไรคือทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นแห่งมิชาทิฐิที่กล่าวถึงวัตถุอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นมิชาทิฐิมีวัตถุผิดเป็นอาการที่หนึ่ง มิช้าทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นแห่งมิช้าทิฏฐิที่ทกล่าวถึงวัตถุอย่างนี้ว่ายันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิปากแ่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมานดาไม่มีบิดาไม่มีโอปปาถึกะสั์ไม่มี ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นแห่งมิจฉาทิฏฐิที่กล่าวถึงวัตถุอย่างนี้ว่าสมณะและพราหมณ์ผู้พร้อมเพลี่ยงกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามไม่มีในโลกทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุก็เป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นเป็นวัตถุ เป็นอาการที่สิบมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติบุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยมิจฉาทิฏฐิย่อมมีคติเป็นสองเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบอย่างนี้มิจฉาทิฏฐินิเทศที่สามจบสี่สัคยญทิฏฐินิเทศแสดงสักยญาทิฏฐิ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 พิจารณาเห็นปฐวีกสินพิจารณาเห็นโอทาตะกสินโดยความเป็นอัตตาคือพิจารณาเห็นโอทาตะกสินและอัตตาไม่เป็นสองว่าโอทาตะกสินอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดโอทาตะกสินข้ออันนั้นเมื่อประทีปน้ามันกาลังลุกโพล่งอยู่ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นโอทาตะกสินโดยความเป็นอัตตา ทิฏฐิคือความยึดมั่นเถื่อมั่นนี้เป็นสักกายทิฏฐิมีรูปเป็นวัตถุเป็นอาการที่หนึ่งสักกายทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิปุตุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอย่างนี้สักกายทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้สักกายทิฏฐินิเทศที่สี่จบห้า ชาสตติฐินิเทศแสดงชาสตทิฐิชาสตทิฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุมีความยึดมันด่นโดยอาการสิบห้าอย่างเป็นอย่างไรเพื่อปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัพปรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพปรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสับุรุษ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 นี้ต้นไม้นี้เงาต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาก็าเป็นอย่างหนึ่งแต่ต้นไม้นี้มีเงาเพราะเงานี้ชื่อว่าพิจารณาเห็นต้นไม้มีเงาชันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตานี้เป็นสัจสะตทิฏฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุเป็นอาการที่หนึ่งสัจสะตทิฏฐิเป็นมิฉาทิฏฐิ เหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิปุตุชนพิจารณาเห็นอัตตามีรูปอย่างนี้ชัสิสตาทิฏฐิที่มีจักรายะเป็นวัตถุมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบห้าอย่างนี้ชาติตทิฏฐินิเทศที่ห้าจบหอุเชตทิฏฐินิเทศแสดงอุเชตทิฏฐิอุเชตทิฏฐิที่มีจักรายะเป็นวัตถุ มีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างเป็นอย่างไรคือปุตชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตว์ปุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์ปุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตว์ปุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา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 โอทาตากสินอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดโอทาตากสิงก็อันนั้นเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโผล่อยู่ฉันใดนี้เป็นอุเชททิฏฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุเป็นอาการที่หนึ่งอุเชททิฏฐิเป็นมิชาทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิปุทุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอย่างนี้ อุเชติฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างนี้อุเชติฐินิเทศที่หกจบ